ตามเลยไปทามานกินก็มีความอดทนสู้ๆกับงากับการร้อนมากก็นึกถึงพ่ อ, อถึถึงแม่จะได้คุ้มครองไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบระวังเนื้อระวังตัวด้วยล่ะอย่าเกเร น, นะ จางจางยางล่องลอยจากแดนไกลกระซิบคอยบอกเบาเบาเตือนให้เราลืมตา w e r i d g h i ก็มีความอดทนมีสู้ๆกับมากกับการกับร้อนมากก็นึกถึงพ่อ <ฮะ S 2> ถึงนี้จะได้คุ้มครอมไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบอย่าเกเรียนนะกม่เป็นไรเมื <S <S ่อเกิดมาอย่างนี้เมื่อมีเท่าทีนี r i g h t